เตอนนี้เป็นจิตของคนที่เข้าถึงอุปจารสมาธิอ้อสำเร็จพระพูทมีพระภาทธเจ้าเดชโลดให้ข้าพระเจ้าเห็นการแสจิตที่แสจริงออกคนเข้าถึงอุปจารสมาธิคือเข้าถึงอุปจารสมาธิแล้วจิต้าสูงตามนั้นนะอย่าลืมว่าเข้าแล้วมันถอยหน้าทิ้งหลังได้ตอนถอยหน้าทิ้งหลังแล้วไม่เอาเขาตัวจิตอย่างนี้เป็นคนที่เข้าถึงอุปจารสมาธิ เป็นวงที่พระเจ้าก็ทำแล้วเห็นแล้วอย่างันเป็นไงล่ะไซปรองใช่ค่ะไซปรองมัไซปรงแล้วมันเลื่อมหน่อ่ะมกระายไม่ได้เลื่อมหนอใช่มเลืเคใช่ค่ะเป็นมันยังเป็นมันอยู่แต่ว่าสขึ้นมาไม่บดีกว่ากัาดีกว่าก่าดีกว่สู้งสีก็เสีอหน้าขาวคึกนะนี่เริ่มเป็นมันเป็สายไม่กีด ขอบใช่ไหมใส่เป็นน้ำที่ขอบเป็ที่ขอบเลยรักแต่เราว่าว่าถ้าหากว่าเป็นลูกกลมมันยังเหมือนกับเอ า, เอาน้ำมันอะไรวะคิดมาว่ามาทาเานี่ยเราพูดตลกนเไม่ใช่ไหมรู้สึกว่ามันเหมือนกแก้ว บ, งบางๆหุ่มนิดนิดก็แบใช่ใช่ อแก้วใสบางบางนิดๆข้าไในว่าก็ห น, นาจะเป็นเจ้วบางบางทับอยู่ใช่ไจะไม่ดีนะนะถ้าจิตจะถ้าจิตชงอย่างนี้นะเป็นการใช้จิต ท, ทุกคนในเวลานั้นอเขาสองอุปจารสมาธิอันนี้มีความสำคัญมากนะเจตวิญญาณจะฝึก ม, มากๆถ้าต้องฝึ ด, ดูของเราด้วยอย่าไปดูกักคนอื่นรับดูของเราถ้าเราดูของเราเห็นชัด เาเอหรื อ, อ่เชัดมากเพราะดูเราเองมันดูยากแล้วต้องฝึกพัฒนาตัวเตอนนี้ไปก็ขอพัษนาองค์สมเด็จพระจอมไตรยในครัวทรงทรงก็เห็นการแสจิตทุกคนที่เขา้าถึงพระสมุทานอารมณ์ที่กําลังตั้งในเจก็พระสมุทัยใจขึ้นมา ด้วยที่ซึ้งนั่นนใส่ขึ้นมะแล้วก็ที่ถอดนอกนันหนาขึ้นมาอันนี้เป็นที่กว่าแก้วหนาขึ้นมาใช่ไหมใช่ใชใชแก้วลึกลงไปดีกว่าใช่ใชโดนกิบเป็นข้อเดินนะแต่ความเป็นแก้วลึกลงไปจะไม่หยดลความไม่หยดใช่ไหมดูท <ๆ S 1> ีม่มันลึกลงไปสักี่ห้ามัไม่ไแต่ชานั้นมันสามชั้นอย่างหยาบหย่กลางอย่างละเีย แต่ความลึกกว่าคนสมักันแต่ว่าจะใส่ไม่เท่ากันเอาแค่ไปแก้วอย่างเ้ยเล็กลงไปประมาณสัยี่ห้าปัน่นได้ได้ไม่ต้อวได้ประมาณหนึ่งี่ได้เลยมัณหนึ่งสีสส่ใช่ไชอันนี้เป็นกระแสจิตทุกคนที่ชอาถึงมาฒนธรรมานจำให้ดีนะจำาพาาดไปให้ดีก็ปรไปดูนะ ถ้าเขาบอกชี้พระองค์นั่น เ, เก่งตัวพระอาจารย์ชขาไเก่งอย่าไปดูหน้าเล็กลับเล็งถึงพระพุทธเจ้า ก, ก่อนจากระพุทธเจ้าเราไปก่อนอันดับแรกเราวิเดิ ม, มาถึงมาแล้วก็ขอบา ร, รมีเสาเลยขอดูจิตเขาแล้นเท่านี้เราไม่อยากดแัดเดียวซึ่งมีนาทีรู้อะไรอยู่แต่ว่าถ้าเราเห็นว่าเขาโกหกคนเฉยๆแล้ว่ อ, อ, อยเขาลงในพระประธานก็ไ้ยังไงาั ตอนนี้ไปเพราะทุกคนเพราะบารมีพระองค์สมเด็จในจอมใจได้โปรดให้ข้าพระเจ้าทั้งหมดได้ถึงกับแสจิตของท่านที่เข้าถึงพุะปริยทานสุชาดิศีสองเข้าไปซึ่งเี่ยข้าไรซเยห้าสิบเปอเซ็นต์นแก้วลงไปยเูกต้องตามนี่ไม่มีอะไรเอารับผิดก็ผิดกับสุาดิศรีสา่ให้พิดานตลอสยว่ามีผู้เจ้านี อย่าใจอตัวเองเป็สำคัญพอเขาถามโนปั๊เราก็กลับโดนถามแลยขอยเห็นชัดๆตามความเป็นจริงเอท่านทีเข้าถึงฌานดีสามละเอียดดูที่ว่ากระแสจิตองแสด็งธรรมอสามลึกสองพันเห็นมีสภาพเดีไหมลูกเดิมมันแบบมันใสได้แค่ไหนใสก็ไสามส่วนใส่ว่าอ้ที่แกนกลางก็ใสมากขึ้น แกงสายมากขึ้นเลยเปนตรงอะไรกงไม่มา้คนเลยอันนสายเม่สายมากกว่าใช่แต่อันนี้มัเป็นวันที่สี่กสรฝึกนะนี่ระวังนะคุณเชิฝึกมานานแล้วไพ้ตัวขัสักนะถ้าไม่แพ้ลถึงต้องอันนี้เขเป็นวันที่สี่แล้วก็ถือว่าเป็นโชคดี เน้นนะว่าทานสีเนี่ยแบ่งตัวนสองวทานสามที่ทางสายใช่หลงไปประมาณ 75% ิห้าอร์เซ็นใช่มคะ้รไม่ไม้มมันมีทานอย่าง น, นี้ท่านลงไปประมาณ 75% ดิหเปอร์เซ็นเป็นชาญสายมีสามอย่างแต่แกงกลางเนี่ยมันก็มัวหวนนิดๆมาแต่มันดีด้นอถ้าทานสามอย่าไปกลางนะแกงกลางจะเล็กลงแล้วก็แกงกลางจะเริ่มใสขึ้นกว่าเดิ ถ้า ena, ทางสามเน่อยากมันเหมือนเหมือนกับสีดำดมนกศสีรำเมื่อก you know e ี้เราำไแล้แล้วก็ถ้าการทางสามทีาถนัดกลายมันบางไปอีกหน่อยเอตอนนี้ตัวรงสีจะน้ารำมันจะบางจางมากคือเป็นแก้วมากกว่ากันถ้าว่าเป็นทางสามะเอียดจะดูดีเดทางสามเอียดราจะเห็นดวงจิตทั้งดวงเป็นแก้วทั้งดวงจะเป็นเส้นแดงบางเล็กน้อยแต่ไม่เยอะ ใช่จังอันนี้เป็นทางสามละเอียดนะมีอัชาแนมันสามชั้นชาลหนึ่งนสองอันสามมันเป็นอย่างหยาบยางกราอย่างละเอียดอันนี้ต้มาสุดขมันถ้สุสอ้อในใจเลยถ้าสเข้อในใจเราไมา่ไม่เอาใจแค่แป๊บเดยวให้ดนะีดูต่อไปคนที่ได้ทางสี่ทางสี่ละเอียดเลยทางสี่มีสองชั้นหยากรละเอียด ทานคือละเอียดใสไม่มีแกนเป็นแก้วช่องดวงใช่ไหมเห<ช>มือนกับแก้วที่เขาีใสหมดท่องดวงไม่มีแกนไม่มีการมองนี่เราดูจิตขณะที่เขาสงทานให้คนทระทานโลกีเดี๋ยวก็ใสด้วยุกคุนอารมณ์ดีก็ใสอารมณ์ไม่ดีเก็ขุนแล้วเราดูตรงใสกันเราจจะรู้อย่างสมมติว่าคนนี้เขาอนเร็ว เราก็จิตสข้าไปจับอันดับแรกเขาจะเริใช้กำลังเราเองได้ด้ยคว า, า, า, าทันยินยัลืมจะทิ้งพุทธเจ้าพ่อแตกใช้ศุกมาแล้วไอ้ที่แนะนำเนี่ยยันี่ก็ทำไมต้องของพุทธเจ้าเหนื่อยพ่อเคยใช้ศึกมาแล้วนะไอ้ทาอะไรรู้แต่ตัวเองพุ่มพันพุ่มันอดเก่งอดดีพ่อเจ้งมาแล้ว แ, แล้วต่อมาก็มาเอาะพุทธเจา้าไป็นของนม่ยอมทางอันนี้ไม่มีใครทราบไม่ใช่เราเอง เป็นเรื่องวุ้นแก้วสรงก็แม้ผู้ที่ได้ชาสีละเอียดจะมีประกายใสแต่ไม่มีประกายจะเปล่าจะไม่มีเหมือนกับแก้วที่เขาขัดดีแล้วสาดดีได้ทุกอย่ตอนนี้ไปก็ขอรัชนาบรมีพระองค์สมเด็จพรจอมเกลนาที่สมเด็จพระเทพรัตน์เสร็จแ้ใช่เหมใช่ขันนั่งแรกขันนั่งแดี ว่าท่านสเสด็จมาตั้งแต่ตอนแรกไปก่อนเข้าานั่งเลยก็ถึงแม่คุณพักที่ได้ต้อเลยปฏิบัติเสด็จก่อนอลองมาเพื่อผลเสด็จถ้าสําคัญอเอาผลเสด็จเ่จะต้องรู้รว่ายการทำวันนั้นเป็น เ, เด็ดเนเรื่องที่สำคัญที่สุดถ้าไว้สําคัญมากท่านเสด็จตอนท่านมาผู้หวังคนจริงๆคนไม่ใช่กําไรคนพวกเราต้องการให้พวกเรามีผล เราินอมาถรเปผมเวลานี้ใสมากนะใสมากสวยเลยโผลใหญ่บานเลนะโผลต้นเขาเลยนะจะไม่ดีจะหาท่านบม่อยวนะเพราะเรเจ้าทีองอคไปเพื่อยไปถึงองค์นี้เราบอกว้หมีบาทีเรารมีสี่องค์เราขออย่าเจอเห็นไม่จะกไปกลัวบาปเพราะท่านเจ้าจะมาหาเราไม่ใช่ใช่ับพลังศี ตัวถ้าไม่ได้สิเรตถเพื่องในสัพพัญญาสีมาแต่บางวาระถ้าเราปฏิบัติไปเร่บางวาระธรรมะเองคนอย่างวันนี้เอาวันผมวันสิเรตเองคือว่าเป็นเรื่องใหญ่ยานแปดนี่เราสมาาิมามากแล้วสมาทาเแล้วดปล่ากันานวันนี้เราเอาจริงๆนี่ต่อไปก็ขอทุกคนอดนาบรมีองสมเรตุสคทาน แล้วก็พระปฏิด้วยเจ้าพราะอริอยสงฆ์พระได้โปรดให้ข้าวิเจ้าเห็นการแสจิตของบุคคลผู้เข้าถึงนิพพ า, านญาณแต่ยังไม่ได้ปามาโสดาบันยังไม่ถึงมาโสดาปฏิมายังไม่ถึมงมาโสดาปฏิปจนแต่จิตใจบุคคลนั้นคุมกาลังใจเข้าอยู่ในเขตของสนสพพานญาณไปเข้าข่าวเจ็บปวด ยังเมื่อยทําเมื่อยวลาไเมื่อถามเลยสร้างธรมก็ได้สร้บาปสยสางเชนเป็นแก้วเป็แก้วแก้วไม่ใช่ทึบนะแก้วใสแต่ยังไม่มีประกายอต่นี้ป็นแก้วใสใช่ไหมประกายขึ้นเล็กน้อยต้องต้องมีประกายขึ้นอีกนิปาสนายหญ แ้ะแก้วใสใช้เฉยเรียวกว่าทางสีเป็นชานโลดีถ้าว่าเป็นถ้าเป็นนิพพิทเข้าถึงเขตที่มีขนาดใหต้องมีระางกายเพื่อจะมันบางจากักใช่ไหมถ้าแสบร่างกา ย, นนนาากยนะเนี่ไม่หนาบางโลดีนะนี่ท่านทำหนุชัราว่ายาไปจับภาพนี่คือเอานึกถึงมรรมีมุทธจากทเสมอให้การทำแบบนี้เป็ อ, อยาแช่รมส ว่าเราผลไม่กาวเราไม่ใช้ลังเาเองหรือว่าเป็นแก้วกลมแต่เบลนใดกายแากายมันีก็เหมือนเหมือนกับคนที่เข้าถังอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิมันมองกเป็นจิตเป็นเนื้อจะเป็นแก้วเล็กนี่นะแค่บางๆใะแต่นี้เดิมเดิมจริงๆเป็นแก้วใสแปลว่าเป็นกายกลมนิ่งบางๆหกนะ อุ้ยภาชนะยานจริงๆแล้วเป็นใบกายตามเนื้อตาม่นี้อตัวหัวแค่นั้นดึงใช้ปลายกับปลายมนจะนรอล้อสมุนไพรใช่ล้วสนไพก็เป็กาย ร, าารบอบตัวแต้ว้จะดูเรื่องพุทธิต ร, ตรงไปใบาากายมันเป็นอย่างห น, นึางมันนึกเย็นไหมอย่างถ้าเป็ น, ปนต้นหญ้าเขาใบกายตัดที่แท้ิวดีนะีจงเขาไม่ไดเกี่ยวนะ นี่คือนะนี่ราการต่อไปต่อนด้ไปเพาะอระพนาบารมีพระองค์คอืจอมใจพอได้าพู้เจ้าถึงก็แสจิตสองดวงพร้อมกันพอได้โปรดนี่จะใชยจิตสองดวงพร้อมกันคือว่าโสดาปฏิมากับโสดาปฏิผลไอ้งานเดี๋ยวไม่รู้มากก่าดูก็แสจิตเข้าว่าโสดาปฏิมา เันยกอเวอรมาซ้าย่าลอยอยู่ข้างซ้ายใกล้ก็โฉบขายอเร์แต่แสจิตเขา่าโสดาปฏิผลยู่เป็นภาพนิดนะลอยอยู่ใกล้ก็โฉบไปทงางขวาดูต่างมากต่างกันเล็กน้อยชต่างนิดหน่อยนะต่างกันนิดหน่อยอันนี้รู้สึกว่าเป็นเวก้ายนิดหนึ่งกสว่างดีนะ สว่างด e. like. ีเดียวเก่าเยอะไหมดีกว่าเก่าเยอะแต่ว่าไม่ลึกมากใช่หมแก้วข้างใก็รู้สึกจะสะอาดขึ้นเเชใช่๋ดีนะใจดีแล้วเบอร์สุขมดีนะอันนี้เราจะได้รู้ใจคนเจ๊ยานมันเนี่ยไม่กรนแบบนี้มีเขายกแบบทกขนแบบฝึกใหม่ๆวิธีที่ีรักขมีอยู่แต่เรื่เราจะเดินกันแนวนะ เรียนของพ่อเล่นไปตามนี้สำหรับพระโสนาบุตรผลใสขึ้นหน่อยใช่ไหใช่จ้ะแก้วกลางก็ใสกว่าของพระโสนาปฏิมากรกายก็ดีกันหน่อยหนึ่งมีความไม่แห้เหือดลงตใส่าสกว่าใสกว่าก็เหนือาวดีมั่งใสกว่าใสกว่าาผมเอาง่ายๆดีกว่าสวยกว่าเยอะนะ นี <ME> しし่เราเห็นว่าพระโสดาบุตรผลเอากานขั้นระโสดาปุตรผลที่สมเด็จพระสัมมาวุตเจ้าว่าทำวระโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงอาศัยรู้ทันและคนนี้เป็นโสดาบันในจิตข้างในใสที่ได้แก้วมันจะเป็นแก้วอย่างนั้นตลอดกานทำว่ามือไม่มีกายการในสองไอ้เกายตัวที่รอบรอบตัวที่เนนิวัตนาญาณมันจะก่อติดให้มีการเสื่อม เวลาที่นคนนี้เป็นโสนาภิพลแล้วจะทาบาป ก, กรรมด้ก่อนมาอย่างไรก็ตามชาตินี้ก็ดีชาติก่อนชาตินี้อาจจะฆ่าคนเป็นลำเนาพันทิกเจริญหรือฆ่าคนเป็นพันญอาอัลฮิมานแต่ว่าถึงเป็นโศนาอาการอย่างนี้มันจะไม่ถอยแต่จิตมัวนิดหนึ่งี กระแสที่ใสมันจะใสอย่างนี้มันจะใสยิ่งขึ้นความกระแสความใสเขาจุดะสมากนตัวกายจะมากขึ้นการลดลงมันอยู่นั้นรรโสดาบันจึงไม่มีโอกาสไปไปถึงที่คือเป็นสัตว์โลกก็ไม่ได้ปไม่ดเป็นสก็ไม่ได้เป็นสตไม่ได้ตัดบากทิ้ไปเลยมีใจมมีใจมีใจ มีใจต้อ ง, ยงยา อ, าอยางบมดจิตเสมอเป็นเยอะไม่ใชเราเองแต่มีจิตในไหนบ้ันต่อไปนี้ขอทุกคนจงอารัธนาบา ร, รมีสมุทตินาซีส่งโป ร, รว่าข้าพระเจ้าต้องการเห็นการแสจิพเทศีธาคามมีมั่งก็คุณชาคารมีผลเ้าตัวไส้าตั้งเด่นเรื่ อ, าากกาาาาอ ง, งผูใหญ่ทเทวระ ผลอย่างสรุว่าวันนี้เอาสงชโมงอะไรกัเใชไห่สยขึ้นแต่แล้วก็ขอบที่วัดใจก็น้ากว่าน้อกว่าถูกเขาต้องลึกมรจากประจักหยุดคึ้ง่อันนี้ถือว่าถ้าพระโภคสัญญาไายผลครึ่งเลยใช่ไหมใช่ถ้าสัายเนผลนี้ครึ่งเลยแล้วก็แสแกง แก้วภายในก็ใสกว่ากันแล้วระกายก็ดีกว่าก็โศดาอาริณ์สภาระมีมากระงกายมากขึ้นแต่กายกลังยังไม่ใช่ากับดาสัมภิทุนะไหมใช่ยังใสไม่เท่ากันอันนี้ต้องดูอันนี้ความจริงแล้วก็องดูพันก็ได้แต่ว่าที่เป็นการศึกษา เ, เป็นการศึกษาไปโดยละเอียดตามนี้ต่อไปคอทุกคนคอดูเขา อ, องคสุดเด็ดพระทศกัณฐ์ในสมศรีโซเนเ ร, นรมิ แกแสจิตของาอนาคามีมัดอาณาคารผลติดไซดเขาไม่ตามผลมัดผลมัดขาแต่เราหันหน้าก็หาไปก็เป็นผลติของเรามัดติดของเราติดขวาไซท่านน่ะไซดท่านเป็นมัดขวาเขเป็นผลเพระอณาคามีเกี่ยหมดเกียหมด้อเกล่ยรแหละลักษมีของผม ว, ว, วางวางออกไปสว่างกว่าแกนอยู่แกนไม่เหลือเท่าไหร่แกนอยู่นิดเดียวนิดเดียวมเหลือน้อยจ้ะค่ะนกันนะทุกคนถูกต้องี่ถุกต้อ ง, ต, องอต่อไปก็ไปทอาไม้ยากก็ใช้จิตท่านทหาไม่เหลือใช้ ส, ส, สว่างโน่นร็่โ <ไป S 2> พงเลยจะคไปไปไ ป, ไปเทียบนี้ดีกว่าดาวประจเมือง ใช่จ้นไหมให้ดูง่ายๆดาก็ดาก็ระเบิกดาดาดาาสมมดดาทุกเจ้าหัอข้างวดาประจาเมืองม่ดาก็ต้อกระเบิดตดสมมืขึ้นมาสวยๆฟังจ้านะอันนี้จาให้ดีนะเนี่ยการสจิตยังไม่จำมาดีนี่สำหรับของเราเองถ้าเราจะดูจิตเรานะ ถ้ารจะดูจิตเราเองอย่างเร็วที่สุดให้มันเป็นจิตสายแก้วสายสาถ้ามีสีไิ่ถึงก็ขับบางทีขับอารมณ์เดียวนั้นเพราะว่าทางนี้ดีจะดูจิตของเราทุกเราให้มันเป็นสอย่างข้าวสารนี่เอาเนี่ยเอาดวงนี้เป็นที่พึ่ี่เป็นนิมิตสําลับจิตของเราดูทุกครั้งที่หาว่าคนนี้มีผัวมีเมียหรือว่าเราหันไปเลย ก็เอาจิตขั้นละที่เราดูเนี่ยมันมีผมมีเมียมีลูกมีเต้าตอนนั้นมันไม่เมียเราจะไม่นั่งในเมียจะมีผมมีเมียมีลูกมีเต้าอย่างไงมันอนเดียวแ่ไม่จริเวลาที่เราอยู่คนเดียวแล้วดูจิตของเราขับไปมีสีนิดสีหน่อยก็ไม่เอาขับไปขับไปก็ขับที่พีขับขับนะขัดขั้นห้าไหวเรียกพาลจิตที่มีผวมีเมียมีลูกมีเต้าทำข่าเพราะเราโง่ เวลานี้เราเลิกโง่แล้วลลแต่ว่าเวลานี้เมื่อคันฆามันยังไม่ทําเพียงใดเราจะทํางานตามหน้าที่ทุกอย่างให้คบท้วนทำมันดีที่สุดแต่ว่าอาการอย่างนี้จะไม่มีสำหรับอีเราอีกในการต่อไปรือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้าที่เราจะใช้นี่เขาตีเดล็กตันหาวปลาทานอนนนสมนรทรธรรมตีเหล็กคือความเศร้าห ม, มองเขาจิตแ ล, ล, ล้วจิตเลวจิตเร็ปาทานยึดอารมณ์เร็วข อ, ของดี ปัญหาอยากได้เขาเร็วหรื อ, โอาโการธอาวุธสงครามเขาความชั่วความโง่ที่อยากได้หรออยากทำไอ้สีอย่าง น, นี้นนนจะไม่มีสำหรับเราอีจากจกแต่เราต้องการอย่างเดีคือมีผ่าน ม, มองโลกทั้งโลกเป็นเรื่องเละเทะให้เราทราบสดชื่หน้าเียมองเทวโลกกับคนโลกกม็มายกึงต้นสัมผาที่มีสภาพ เ, เราเราเกาะแล้วไม่เปนนานแล้ว เราก็่เดีเราต้องการจุดเดียคือพระนุขการไม่ก็ต้องการระบบุที่มีผลทุกอย่างที่เราต้องหาตัดสินใจเลยว่าไอ้ร่างกายเราเลวแบบนี้นเลิกกันการมีหัวมีเมียมีลูกมีเก้าชาตินี้คืชาติตัวท้ายยกย่อดมันมันจะโทนนี้โทนซึ่งไงเชิญนโทนตามสบายแล้ว่เดีการต่อไปสภาวะอย่างนี้ไม่มีมาสิ้นลมปาณอะไรโน้นนี้ทันอไม่ไปทันนี้ผิดส จะลงตีตามแบบใช่ไหมนะไปเชิญที่ลงตามแบบกนนี้ลไส่จะค่ะพยายามตีตามแบบีเสมอนะทลกว่ายามว่างของเราไม่เวลาสงยตื่นมาไม่ใหม่ว่าจะพาลากิตนั่งไดน้อยก็นไดนั่งเรืนอไหนทางานทังกันไดยากแตมบางมืดครับ คามพยายามจะพักที่สนใจตัดสินใจจะตามเงนจับเงินใส่เจ้าเวลาหลังเราจะคจะมองจากมงนใช้ทุกวันทุกวันวันนั้นนเดยห่อยวงนใส่ตัวีเวลาเราจะตายจะตายพุ่งลงมาเมไรเสร็จไปตายใช่ไหเริ่มป่วยแค่ไม่สบายเอาละมืป่วยก็ดีแล้วรักษาหายไหมไม่หายอะไรหายกน่อยหาก็เเองอยากจะตายก็คิรตายฉันไปย่าเองมันานแล้วเอเลี้ยงเองเท่าไหร่ละ ร่างกายเนี่ยขอให้มันกินทุกวันบรยรยากาศแล้วมันตกแต่งพอจกป่วยเรื่อ ก, ก็ป่วยจะเอาอะไรก็หายมันทุกอย่างดังนั้นก็ไม่ต่างใจเรารละร่างกายที่มีถ้าเป็นคนก็ถือว่าเป็นคนอัตตันตุเพราด้วยคนร่างกายประเภทนนี้เราจะสับที่ไม่ต้องการมีดิดตัดชิ้นใจแบบนี้สุดที่เราต้องการคือความผ่อนสาความจิตไม่แต่อารมณ์รุนแรงแท่นี้ เราไปจากสบายใจไม่สบายมัสยแล้วม่ะเดี๋ยวคนนั้นมานี่มาอาจจะมีใล้คนโมวบ้างก็ไม่ท้องน่าเป็นได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งหาวเวลาขัดจิตให้ได้ ย, ยาน้อยสุด ข, ขัดแค่สอสามนาทีก็ยังดีเป็นประจมา <S <S แต่อย่านีใายมาไหล่าต้องไพอเริ่มป่วยทับตัดสินใจทำนี่ทัาไมสยแห้นี่ตั้งป่ว ย, ยนี้ดีมาก ยิป่วยว่าไอ้คนป่วยบ่อยๆนี่ยยไม่เสียคนป่วยภาพจากเราพไปก็ไปเพียงสบายอันนี้เจโตวิญญาณ น, นะกันนี้นเจโตวิญญาณเรายังมีวิธีใช่อย่างหนึ่งนช่ไหมวิใีใช่อย่างหนึ่งแทนที่เราจะดูจิตชั่งช่เราก็ไม่ดูจิตแล้วก็ดูสภาวะของคนจริงๆเลย ไอ้คนจริงๆแล้วมันมีคนปลอมๆบางส่วนด้วยเพราะว่าคนกลอมงก็คือขันห้าเอ่อธาดุดิน่านลงธัตไปเลื่อนหนังกระดูกระดูกมาขัดมาคนปลอมงไ อ, อ, อ้คนจริงๆมันอยู่ข้างในคนปลอมลออันนี้ตามแบบสมบัตรที่หลวงพ่อติดกันมาเองนะคือกันมาท่านสอนแนะนําแบบนี้วิธีดีโดยมีสองอย่างเราก็ใช้เราจะขัดกี่หนยใส่ตามเล่นก็ได้ เราจะดูประเภทประเภทที่สมานตายกันี้มเราต้องดูเราแล้วต่อ น, นี้ใครก็ขอท่านนาองสมเด็จอนสัมมาทิจ่ามิชฌากซนอะไรไมคนเพ่มาหนึ่งคนคนนั้นเป็นคนที่มีสภาพหนาแน่นมากที่สุซึ่งจิตใจหนักภาในได้ของมิจฉาทิฏฐินสัมมาทิฏฐิตัวอาจจะมีู่บ้างโดยส่วนวน้อยคนเกิดมามไม่เลียงทั้งหมดมันดีบ้างแตมนดีน้อย คนที่แก่ตัวไม่ไหวตายต้องไปสวดไวยคูร์ให้ข่าวให้เจ้าเห็นอภิสมารากายที่อยู่ภายในของกายของบุคคลนั้นมีสภาพอย่างไรท่าวงเห็นหอยังผอมที่ชายข้างในแก่แก่เหี่ยวแกใช่ลดสูงคือหมยความว่าสภาพไม่มีความสวยงามไม่มีความผดผ่องเลยใช่ไหมใช่ อรใช่ค่ะสมมติว่าข่าคนนั้นตายแล้วตกนรกแน่นอนดูภาพนึ่งทุกาพตรงไหเขาแล้วเป็นสัตว์มันเป็นสัตว์ไงตกนรกถ้าเขาต้องตกนรกดูว่ามันโผล่ที่เรงนี้ไม่ใช่ก็เห็นร่างกายในกาย อ้างว่าคนนี้ถ้าบังเอิญตายในเวลานี้เขาต้องตกนรกไอ้ภาพในนั้นก็เป็นภาพของเสตร์นรกใช่ไหมใช่จ่ะใช่อตอบง่ายง่ายดีตาเวทีมันอาจจะมีเป็นเห็นสภาพันตายทุกข้มตัวบ้างบางรายก็ทำเบาหน่อยนิดนึงโซ่ใส่คอบ้างบางรายก็หนักไปนิดนึงเหมือนกับหอกแล้วก็มีแล้วก็แหลงลาวเสกยังบ้าง อะไรอยู่ภาะไรก็เหมือนเลี้ยงดินเราเรามันก็ไปรั่วนะถ้าเห็นภาพในกายกายในกายตามหาจิฐานสุดนะเอ้ยกายในกายอันนี้มหาจิตฐานสุดถ้ายางต่ำเเห็นไม่เห็นว่าร่างกายเป็นการฉันสองถ้าหากว่าคนที่ได้วิชาสามที่ว่าสองวิชาสามที่อยญ่ใหญ่เขาจะดูอย่างนี้ดูกายในกายนะถาว่าอ้กายในกายคือิสมาในกายมานเป็นอะไร เห็นปั๊บเป็นสัตว์นกไอ้นี่ตายเป็นสัตนรกแน่ถ้าเขาจะเกิดเป็นเปรตสภาพมันจะเป็นเปรกท้างในมันเป็นเปรตก่อนตายไหมแต่สภาพจะเป็นสติสัณฐารข้างในมันจะมีอร่างกายกายในมันจะแสดงความเป็นสติสัานก่อนตายไอ้จเป็นมนุษย์จะเห็นเป็นมนุษย์ของสไเป็นเทวดาจะเห็นภาพอไรเป็เทวดาขั้ไหนอาจากเทวดาสารูป ถาว่าอย่างไรมันคงร่างกายเท่าไรมันเป็นคงไม่งั้นเวลาออกจะเป็นคงหรือยังเวลาร่างกายทําออกพับก็เป็นคงเลยไปเทวดามออกพับก็เป็นเทวดาเลยมันต้องเป็นอยู่ก่อนถึงมันยุดลงเห็นไหมไอ้ผู้นี้เห็นตามหร้อเล่าเห็นเห็นใช่ไอันนี้จําไม่ดีนะอันนี้เป็นว่าแล้วเราเห็นอะไรอยู่ผู้นี้เี้เงียบเขาคุณเขาดีเขาไม่เศษปลอยเขาปล่อย แต่ว่าเราก็จงคิดดูว่าเรารู้ทางความเป็นจริงอะไรการดูพรัดต้องดูด้วยความบริสุทธิ์ใจในก่อนที่จะรู้จิตใจ ใ, ใครอย่าไปเอาประวัติเข้ามาประวัตก็ทําความเลวทางความดีที่ไหนปลอยขึ้นไปเลยอย่าไม่สนใจประวัติทั้งหมดอันดับแรกพัดจิตจับคุณพระเจ้า ก, ก่อนไหวกราบเลยรู้จ่ใจของสายแทเจรงแล้วก็คูณ เราเห็นอะไรจะต้องตอบไปเองโนถามว่าการเห็นมนค่าพอใจเห็นว่คนนี้ตายแล้วต้องไปไปองารพิจารณากายเห็นริงไหมถ้าพระองค์เราไม่ยินเสียงตอบก็ดูทรงแยมออกทรงยกหัสผิต้องถ้าหาว่าราม่ยเสียงตอบเสียงตอบไปนี้ไม่เสียวคนนี่เงียบจิดรัดเัดหรือว่าทรงแยมมันไม่ทรงยกรหัสผิีแล้วมัแยมออกใช้ได้หิต้อง หมายความว่าไม่ใช่ตายในเท่ยเวลานั้นไอ้คนนี้จะตายเมื่อไรก็ตามเขาไม่มีความดีมีความีมันไม่ต่อที่ไกเขาจะเป็นมนุษย์แล้วก็เห็นมนุษย์ไอ้สภาวะของมนุษย์เราเห็นตามคาเป็นจริงเอาจะเป็นมนุษย์อันดับไหนนี่เราก็รู้ต่างไอ้ภาพนั้นมันบอกชัดมันแจ้ด้เีมากนี่เป็นเรื่อิดีที่ที่ได้สมมาแ เราดูกายเลยตอนี้ไอ้กายเขาเราดูแล้ต้องดูกายเราทุกวันเลยเห็นไหมแบบนใช่จะเออย่ามอไปดูแต่เขาดูเราก็าไม่เข้าเราของเราไม่ดูเขาทุกวันถเผลอจากภาระเ่นบ้างนิดดูเลยมันดมของเขานันสวยไหมถ้าไม่สวยใช่ไหมได้โอ้ลกมาซีเนียบอะไรใครลูกใครจะบอกพ่อขอแม่เลย กอบพ่อกอบแม่เวลานี้แล้วก็ดูถ้าแม่เรามาเนี่ยมันไม่มสีว่าแบบม า, บ า, มาชัดลม า, นานแรยจีนแต้มาไล่แม่นเนม่ยต้องเอาเอาพระบุคากรเขาไปเทียบกับท่านออกไปแยกตัวไปเทียบกับท่านดูเรากับท่านคล้ายกันไหยังไงก็ขับให้เหมือนภาพแม่สีล้องพกคนปฏิาพาณไปคนนั่นไง น, นั่นไม่ใช่ ก็ไม่ให้มีให้สายแบบนั้นสไม่มีไม่มีหมองถูกใช่ไหมในกายอาจจะไม่ถึงได้สแบบนั้นเพราะว่าต้งจะช่วระยะเดี๋ย ว, วเดียวเพรว่าเดี๋ยวเดียวเป็นระยะนี้เราก็รช่วระยะพ้นสุขนาจิจให้ใสเท่านั้นเห็นใ่้เท้าอะไรขับให้สเท่าเั่านั้อยามขับมั น, น, ไ, น, ไ, นไม่ถึงขับมันถึงตั่วขับทาไงตัดทัห้าสี่ร่างกายยามเห็นร่างกายเมื่อไร เนืเ้อแทร่างกายของเราจะเป็นไม่กูข้างนอกกูข้างในเห็นคนนะอย่าดูหน้าอย่าดูิดูขา้างในดูที่ดูเรื่องอันนี้ ข, ขอจับหน้าเฉย